ธรมีในการพูดธรรมะก็ไม่มีอะไรอื่นเพราะธรรมะอยู่กับตัวของพวกเราเองการพูดธรรมะก็พูดถึงเรื่องตัวพูดถึงเรื่องกายเรื่องจิตที่พูดก็โดยส่วนใหญ่ค่อยๆแต่ไข่คิดพีจะรีานาเรื่องกายจิตของตัวมากยุ่ ง, งเกินเลเรื่องหนาะเรืนั้นธรรมะ ยังีีูก็ดูเลยรักษา่ิจได้เกิดสติมิปัญญายิงวุ่นตามสัญญาอารมณ์ภายนอกยุ่เยิงเลื่อยไปธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกายเรื่องใจนอก มันก็ออกไปจากกายจากใจของเราไปยุ่งเกี่ยวถ้าหากเราพิจัยนะเรื่องกายเรื่องใจแล้วเรื่องนอกมันก็หดตัวเข้ามาความคิดปรุงต่างๆการงานต่างๆล้วนแต่คนไปทําความยุ่งเหยิงต่างๆกมับการงานมันยุ่งเหยิงมันเป็นเรื่องจิตใจของเรายุ่งเหยิงคามบุ่นวายขัดข้องต่างๆก็เมือนกการงาน วันเวลาทีเดือนทาให้ยุ่นเยิ้งทห้วุ่นวายทา้เดือดร้อน <c oughs> เป็นเรื่องของกายของใจกายใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านคนนวรสงวนรักษาควรที่นี้ที่เจรินา <c oughs> ใจนี้หากไม่ถูกสําระไม่ถูกพิจาริาไม่ถูกซักพอกด้วยธรรมะ <c oughs> ใจจะหมุนหมองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา แ่นที่จะสุกจะสบายจะสงบหาไม่ได้ยิ่งแกมาเท่าไรยิ่งเกี่ยวข้องกับการงานมากเท่าไรใจก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งขัดข้องเข้าไปเท่านั้นปกติห้องใจเมื่อมีสิ่งเกี่ยวข้องมากเท่าไรความยึดถือห้องใจก็ยึดถือไปมากคิดดูเมื่อเรายังเป็นเด็กไม่มีภาระหน้าที่อะไรความคิดปรุงห้องใจก็น้อย ทานได้นอนสบายในวุ่นวายเดือดร้อนพอเติบโตขึ้นมาความคิดปรุงของใจต่อมาเข้าพอไปเกี่ยวเกาะพัวพันตาได้เห็นหูได้ยินจมูกถูกกลิ่นดิ้ น, น, นดิ่มลดกายสัมผัสนีทางของใจที่จะทำให้วุ่นวายขัดข้องอ้าหาก เรามาที่ี้พิจารณาเรื่องของใจต้องรวมรักษาถ้าวานเอาไว้ไม่หายใจไปหลวงเชื่อไหาใจไปติดตามเรื่องภายนอกเรื่องตากับลูกหูกับเสียงกิ่นกับจมูกกับกลินนดีนกับรถกายกับสัมผัสหาเรารักษาได้ถ้าวาได้ระวังได้ใจมันก็มีทางสงบใจก็มีทางสบาย ใจสบายเป็นเรื่องที่ปาฏิารของพวกเราท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชที่อยู่ในศาสนามั่นคงถาวรไม่ได้ไม่มีปัญญารักษาใายรักษาใจของตัวเพราะเผิดเพลินไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกตาเห็นรูปกาจิตคล้องชอบพอหูได้ฟังเสียงก็เหมือนกันฉะนั้นท่านจึงให้ สังวรระวังระวังใจของเราไม่ให้ไปจิดติดข้องเพิดเพลินเพราตาเห็นนั้นก็จะมาบอกกับใจว่ารูปนั้นนั้นสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้หน้ากําหนัดหน้ายิ น, ยนดีหน้าอยากได้หูจะ ย, ยินเสียงขยองเาะอย่างนั้นเสรอย่างนี้ชอบอยากไปฟังทําให้ใจว่าวุ่นคุณมัวต่างๆ หาเราสังวรรักษาทำเป็นตาบอดหูหนวกไปเสียก่อนไม่เคยสนใจอะไรทางธรรมที่นายถันจึงสอนรูปที่เรามองเห็นก็สักแต่ว่ารูปให้คิดแต่สักแตว่าอย่าไปคิดว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้มันดีมันเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ใจมันก็ปกติถ้าหากมันเห็นสักแตว่านี่มันไม่สักเตว่าให้พอเห็นไป เกิดเยึดเกิดถือเกิดชอบเกิดยินดีเมื่อมีความปรารถนาความชอบความยินดีอย่างนั้นจิตก็ปั่นป่วนอยากได้เมื่ อ, อยากได้ก็ยิงเต็นหาได้มากก็เป็นภาร ะ, ะที่จะดูแลรักษาเสียไปก็เสียใจตามสิ่งที่ตัวชอบไม่อยากให้เสีย อยากให้แต่ควนเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของใจทุกคนเป็นไปอย่างนั้นไม่ว่าแต่พวกเราท่านสมัยปัจจุบันพุทธการก็เคยเป็นมาแล้วทางหน้าอนาคตที่จะมาถึงก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นใจของสัตว์ที่ยังวกวนขัดข้องอยู่ในวัฏสงสารเป็นไปอย่างนั้นทางที่จะชำระใจให้บริสุทธิ์ทางที่จะทาใจให้สงบจึงไม่มีทางอื่น ทีดีวิเศษยิ่งกว่าเรื่องของธรรมคือสังรวมตาสังรวมหูจมูกลิ้นกายใจเอาไว้ไม่ให้หลงไหลเสด็จเชินไปตามสิ่งหนึงนั้ น, น, นดูกว่สักแก่วดูเห็นกว่สักแก่วเห็นได้ยินกว่าสักแก่วได้ยินถูกกลิ่มดื่มรดก็เหมือนกันถ้าเราสังรวมระวังได้อย่างนั้นหายใจไปมุ่งหมายยึดถือใจจะสะดวกใจจะสะบาย ใจสบายเป็นเรื่องป่าถนาเพราะเรื่องข้องใจเท่านั้นที่ไปวุ่นวายในเรื่องต่างๆถ้าใจสบายใจสงบแล้วโลกอันนี้มันจะเป็นไปอย่างไรก็เห็นตามเป็นจริงของมันอย่างพระพุทธเจ้าพารทธอริยาสาวกถั่วไปท่านก็อยู่ในโลกแต่ไม่ติดข้องไม่ลุมหลงไม่เพลิดเพลินไม่เดือดร้อน เพราะท่านเห็นตามเป็นจริงโลกส่วนนอกกว่ามีกายมีใจเป็นเสื่องไปหมันหม้ตามจริงโลกอันนี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่รทราบกระวีแสนปีล้านปีมาแล้วมันเคยมีมาเราไม่เห็นรูปเสียงกลินล่นรสสัมผัสเหล่านั้นมันก็มีอยู่เราเห็นแล้วมันก็มีอยู่อย่างนั้นเราจากมันไป โลกอันนี้มันก็ยังคงเส้นคงวาองมันแล้วจิตผิดไปยึดไปถือไปหมั่นไปหมายว่าหญิงว่าชายว่าดีว่าชั่วต่างๆนั่นแหละเป็นพิษเป็นภยัยทำให้เราชอบใจยินดีหรือเกลียดชังต่างๆเพราะจิตไปยึดไปหมายถ้าหาจิตไม่ไปยึดไปหมายวางได้ปล่อยได้ โลกอันนี้เราก็อยู่สบายเราไม่ขวางโลกติดโลกโลกก็ไม่ขวางเราติดเราเราไปขวางไปติดไปยึดไปถือต่างหากโลกมันไม่ได้ลงไหลสูดมาโลกภายในคือโลกโลกของกายกายของเราก็เป็นโลกอันหนึ่งมีดินน้าลมไฟเหมือนกันกับโลกภายนอกที่นี้พี่เจรินาภายใน ให้เข้าใจชัดเจนเห็นไปจากเพื่อจะให้จิตยอมจำนนเชื่อมั่นดูให้เข้าใจกันจริงจังเรื่องโลกภายในดูอ ว, วัยวะต่างๆคือโลกสมมุติว่าคนว่าสัตว์เรามีอะไรที่จะ น่ายินดีพอใจมีอะไรมั่นคงถาวรทีนี้พิจารณาให้ทีท่วนท่วดถึงจิตของเราเมื่อพิจารณาให้ทีท่วนท่ว ด, วดถึงเข้าใจตามเป็นจริงมันจะไม่ยึดมันจะไม่ถือมันจะปล่อยจะวางพอรู้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีคนไม่มีสัตว์สักแต่ว่าตั้งขึ้นแล้วก็ แปวนแตกสลายไม่ว่ารูปหรือนามเป็นมาอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจชัดเจนอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะยุ่งเหยิงเรื่องของใจสมมุติเขามีอย่างไรก็ใช้ไปตามภาษาสมมุติแต่ไม่ติดไม่ค้องไม่ยึดไม่ถือนี่คือใจที่มีสติมีปัญญา มีอัดมีทรรมไม่ลุ่มไม่หลงไม่เพดิดไม่เพลินไม่คัดไม่คล่องอยู่หรือตายไม่มีปัญหาสำหรับท่านคนนั้นถ้ารู้เข้าใจเห็นจริงอย่างนั้นมันมีปัญหาสำคัญแต่พวกเราที่ไม่มีอัดมีทรรมไม่มีสติปัญญาสมบูรณ์มากอยากลุ่มอยากหลงอยากเพิดอยากเพลิ น, ลนมั ว, มวเมาฝ่าฝันไปต่างๆ ดันั้นท่านจึงให้พิจารนาหาทางสงบของจิตทางสงบของจิตก็ด้วยการสังวรระวังพิจรารณาทุกสิ่งทุกอย่างน้อมเป็นโอปนาย ก, กเข้ามาภายในกายในใจของตัวเราเป็นทุกอย่างไรโลกหรือสัตว์ในโลกทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นอดีตเป็นมาอย่างไรอนาคต ก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นปัจจุบันเป็นเื่องบ่งบอกไม่มีอะไรที่จะน่าตื่นเต้นน่ายึดถือเรื่องของโลกเรื่องของกายเพราะเกิดมาก็นำทุกมาให้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวกรหายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ย ว, ยวปวดแต่ควนเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้น เรื่องของกายเราเป็นอย่างไรสัตว์ทั่วไปในอดีตอนาคตจะต้องเป็นเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะผิดแปกแตก ต, ต่างกันมันมีแต่ทุกนั่งก็เป็นทุกนอนก็เป็นทุกยืนเดินก็เป็นทุกยินดื่มก็เป็นทุกหายใจเข้าออกก็เป็นทุกนันไม่มีที่ไหนมันสุข เข็มยางเข้าไปในเนื้อในตัวไม่ว่าที่ไหนมีแต่ก้อนของทุกข์ให้พิจรารณาเห็นอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปหลงไหลนี่เป็นเรื่องที่จะพิจารณาแก่ไขให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงแต่จิตจะรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นก็อาศัยจิตมีความสงบถ้าจิตไม่มีความสงบพิจารณาไป มันก็ไม่เห็นไปลาจักเหมือนกันกับเรานั่งรถที่กำลังวิ่งอยู่หรือนั่งถึงบินไปจะมองดูอะไรไม่ค่อยถนัดชัดเจนเพราะเหตุใดเพราะรถมันวิ่งจิตมันวิ่งก็เหมือนกันมองมาเห็นถนัดชัดเจนหรือน้า ม, มันไหลเสี่ยวจะมองดูเงาหน้ามันก็ไม่ถนดัดถึงเห็นก็ลางๆนิดๆใ น, นหน่อยแถวนั้น จิตนิ่งจิตสงบจิตเป็นสมาธิจึงมีพลังสำคัญที่จะพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แจ่มแจ้งจกระจ่างชัดเจนทางศาสนาทันจริงอบรมแนะสอนให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตความสงบของจิตยิ่งเท่าไรปรุงเท่าไรอารมณ์มากเท่าไรก็รยุ่งเท่านั้น ลำบากเท่านั้นให้ทุกเท่านั้นเรื่องของจิตถ้าสงบได้เท่าไรปล่อยวางได้เท่าไรจิตก็เบาจิตก็สบายเห็นโทษเห็นภัยในความวิ่งบุ่นต่างๆของจิตเชื่อเรื่มใสเต็มใจอยากจะให้สงบอยากจะให้นิ่งอยากจะให้ปล่อยวางเพราะตัวเองเห็นอา น, นิสง์คือความสงบ ความเย็นความเบาความสบายถ้าตัวของตัวไม่เห็นอั น, น้สงก็ไม่มีศรัทธาอยากจะทำฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาท่านจึงถือสมาธิเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งควรอบรมควรศึกษาควรกระทำให้เกิดเป็นเห็นรู้ขึ้นจากตัวของตัวการจะเป็นจะเห็นจะรู้ก็เพราะ เรามีปัญญามีขันติความอดทนมีวิริยะภาคเทียนไม่ปล่อยจิตคิดปรุงไปตามอำนาจลำพังของกิเลสปัญหาผักดันบังคับบัญชาให้จิตชนิดพิจารณาเพ่งกำหนดอันหนึ่งอันใด ในเนื้อในตัวของตัวเองหรือจะกำหนดบทบริกรรมถ้าหากกำหนดเนื้อตัวไม่อยู่แต่ถึงอย่างไรก็ดีบริกรรมหรืออวัยวะเจสาโลมานะขาทันตาผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพูดภาษาไทยไทยมันก็เพ่งได้เบื้องต้นเราก็ยังไม่เห็นจิตใจก็วอกแวก วิ่งเต้นตามสัญญาอารมณ์ที่ผุดขึ้นหรือผ่านมาแต่ก็มีการแนะนตัวเองว่าเคยปรุงเคยคิดเคยติดเคยตามสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นมาเป็นระยะหลายปี <c oughs> มาเห็นอะไรที่ดีวิเศษเกิดขึ้นถ้าเรายังติดตามยังเชื่อฟังทำอยู่อุยุของจีเรตัญหา ของความอยากตัวเองอย่างนี้ก็ไม่มีวันเวลาจะสงบระงับได้อะไรเกิดขึ้นผุดขึ้นภายในใจอะไรผ่านมาภายนอกเราจะไม่เชื่อจะไม่ติดตามเราจะเพ่งอยู่จนให้จิตสงบระงับไม่ติดตามเรื่องอะไรทั้งหมดเชื่อมั่นว่าคำ บริกรรมของตัวหรือการเพ่งอย่างนี้จะนำผลดีคือความสงบมาให้เมื่อใดจิตไม่สงบไม่ละ ง, งับไม่เห็นอศัศจรรย์เราจะไม่จิตตามสัญญาอารมณ์ที่ผ่านมาเป็นอันขาดเมื่อเราผูกจิตมั่นอย่างนั้นก็ตั้งหน้าเพ่งอยู่จะเพ่งกระดูกก็เพ่งกระดูกอยู่นั้น แต่บริกรรมกับบริกรรมอยู่นั้นเมื่อจิตไม่มีทางที่จะออกไปที่อื่นอยู่เฉพาะในการเพ่งของตัวในการบริกรรมของตัวจิตจะมีวันสงบระงับได้ความเบาความสบายความผิดแปลกแตกต่างที่เราเคยเป็นมา จะเกิดขึ้นเพราะเราเป็นคนทรรมเมื่อจิตเป็นอย่างไรเราก็จะจ้องเห็นความเห็นความเป็นของใจที่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ลงไปสงบนิ่งเป็นหนึ่งไม่ยึดเกี่ยวกับอะไรทั่วไปแม่กายของตัวเองยังอยู่ก็ไม่มั่นหมายไม่ยึดถือ เหมือนไม่มีกายเหมือนไม่มีอะไรหมดปล่อยทั้งหมดวางทั้งหมดมีแต่ความรู้ไปจากดิ่งอยู่อย่างนั้นเบาอยู่อย่างนั้นสบายอยู่อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของจิตรวมจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตลงเป็นสมาธิได้อย่างนั้นความอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะแม่เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ ว่ามันเป็นแบบนี้ทําไมมันเป็นไปได้ทําไมมันเบามันสบายจะนั่งกี่ชั่วโมงกี่วันมันก็ถ้ามันไม่ถอนขึ้นมันก็ไม่มีปัญหาเพราะจิตชนิดนั้นไม่มีการเวลาไม่ได้ค่าหน้าหมายหลังอะไรมันเป็นปัจจุบันไม่มีความหมายความหมายอะไรมันเบามันสบายเมื่อเห็น ความเบาความสบายความสุขอย่างนั้นใครเล่าจะไม่ชอบความสุขความสบายจิตเบาจิตสบายเพราะจิตไม่ยึดไม่ถือไม่ปรุงไม่แต้มมันจึงเบาจึงสบายได้เพราะมันปล่อยมันวางเราอยากเรียนอยากเขียนอยากรู้ก็พึ่งกำหนดเพราะทุกคนมีจิต สิ่งผจะกำหนดก็แล้วแต่อัธยาศัยจะกำหนดอะไรก็กำหนดได้แต่ให้ทำจริงอย่าทำเล่นเพราะจิตของเราเคยถูกสัญญาอารมณ์จิเลตันหาสาปทาติดข้องมาเป็นเวลานมนานกว่ามันจะหมดเรื่องเหล่านั้นเบาบางจากเรื่องเหล่านั้น มันทำยากถึงยากกว่าไม่เหลือเยสัยเพราะให้ตั้งใจทำพระพุทธเจ้าท่านก็ายากสาวกท่านก็ายากแต่สิ่งที่ยากที่ได้มาเป็นเครื่องตอบแทนคือความเบาความสบายความสงบความปล่อยวางของชีวิยตัญหาเป็นของมีคุณค่ามากที่สุด จะมีเงินกี่ร้อยอกี่พันล้านจะไปซื้อไปหาความเป็นอย่างนั้นซื้อไม่ได้ไม่มีใครเขาจะขายเพราะเป็นเรื่องนามะาทำจะต้องอาศัยตัวเองฝึกอบรมตัวเองเมื่อเห็นเมื่อรู้เมื่อเข้าใจก็จะชื่นชมตีติเทิดเชินยินดีในความเป็นของตัวพอมันสุขอัศจรรย์ มันผิดแปลกแตกต่างกับความสุขของโลกที่เราเคยผ่านมาจากหูจากตาจากจามูกลิน้นกายต่างๆที่เคยผ่านมาโลกเขาสมมติว่าสุขอย่างนั้นสบายอย่างนี้เป็นอย่างไรเมื่อมาประสบพบเห็นความสุขความสงบของใจก็เทียบได้ความสุขความสบายความรุ่มความหลงของโลกเราเคยผ่านมา ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วความสุขส่วนนั้นเมื่อเข้าถึงขั้นของธรรมสุขด้วยความหลงใใสุขจริงสุขเน่าสุขเละสุขเสียสุขหายสุขเท่าไรก็หลงไหลเท่านั้นแต่ความสุขของใจไม่ได้ลหลงไหลไปตามสัญญาอารมณ์ เป็นความสุขที่ปล่อยที่วางที่ละที่ถอนความยึดความติดข้องข้องใจจึงเป็นความสุขคนละฝั่งคนละโลกกับความสุขที่โลกนิยมกันพระพุทธเจ้าหรืออรหัตอรหันทาัทราบท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านจึงไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินไม่ติดข้องทั้งๆ ท, ที่ท่านมีกายมีใจเหมือนกันกันกบพวกเราทั่วไป แต่ท่านไม่หลงไหลไม่เพิดเพลินเพราะเหตุใดเพราะสิ่งทั่วไปที่เราลุ่มหลงยึดถือของเหล่านั้นเรายังไม่เกิดมันก็มีอยู่เราตายไปแล้วก็หาบหามหอบหิวเอาไปไม่ได้มาหลงมาเพลินด้วยความขาดสติขาดปัญญามายึดมาถือว่าเราว่าของเรา ตามจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ทราบเขาไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเป็นของของเราจะอยู่กับเราจะไปกับเราไม่ต้องพูดถึงเข้าของเงินทองบ้านช่องต่างๆดูอวัยวะร่างกายของเราก็เข้าใจอะไรมันรับรองหมายมั่น ในตัวของเราว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้นอกจากสมมุติของโลกที่เขาให้กันว่าอันนั้นชื่อนั้นอันนี้ชื่อนี้ความจริงถ้าเราไม่สมมุติอย่างนั้นจะไปว่าหาอันอื่นเขาก็ไม่โกรธของถีนมีอยู่อย่างไรมันมีอยู่อย่างนั้นจะสมมุติไปอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นไม่มีวันที่จะหลุ่มหลงตามเรื่องของคนไหงว่าผมว่าคนว่าเล็บว่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นไปตามธรรมชาติขาดขันของเขาหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปอย่างนั้นเราจะรักจะชอบจะสงวนขนาดไหนมันก็ไม่ฟังเสียงของใคร หน้าที่อ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงแปลปลวนเมื่ก่อแปลปลวนไปอยู่อย่างนั้นยึดมัน่นมันไม่เป็นไปตามความหมายของเราความต้องการของเราก็เกิดทุกข์ขังขังที่ไหนขังที่ใจของเราเพราะเราหลงเรายึดหน้าที่ของเขาเขาเป็นไปอย่างไรเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาฉันจึงเรียกว่าอนัตตา คือไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของใครใครจะธนุถนอมใครจะยึดถือใครจะปล่อยวางหน้าที่ของเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นผลที่สุดก็แตกสลายกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแตะกวนแล้วก็แตกสลายทุกอย่างเป็นอยู่อย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาคนจะหลงจะรู้หน้าที่ของเขามีอย่างไรเขาก็เป็นไปอยู่อย่างนั้น ไปรู้ไปเห็นเข้าใจจริงอย่างนั้นจึงไม่ยึดมัน่นถือมัน่นไม่ลุ่มหลงเมื่อไม่ลุ่มหลงก็ไม่หอบเหิว้วไม่ยึดถือไม่แบกหามมันจะเป็นอย่างไรก็เข้าใจตามเรื่องของมันมันจะเบาจะสบายขนาดไหนเพราะความไม่ยึดของใจไม่ถือของใจ หากันที่นี้พิจารณาศึกษาพากันพิจารณาให้ขอดใจให้รู้ให้เห็นว่จิตของเรามันเป็นอย่างนั้นจริงจังปล่อยได้วางได้ไม่มั่นหมายเหมือนเก่าก่อนเราเองก็ไม่มีทางสงสัยว่าความสุขอะไรที่จะเหนือจากอันนี้ไปอีกมันไม่มีความอยากของใจความหลงของใจไม่มี แล้วอะไรจะมาหลงจายใจจึงเป็นทางศึกษาการภาวนาก็คือการทำใจของตัวให้รู้คือให้ใจมีสติใจมีปัญญาทำสิ่งที่ควรทำละปล่อยสิ่งที่ควรละควรปล่อยนี่พวกเราทั่วไป ที่ไม่มีความรู้ความเห็นก็เพราะขาดการภาวนาคือขาดสติขาดปัญญาสตินี้อยู่แต่ไม่ได้เอาใช้มันหลวมันไหลมันหลุ่มมันลหลงเรื่อยไปมันเน่อยู่กับตัวปัญญากอเหมือนกันคิดอ่านนอกๆพอคิดอ่านได้คิดอ่านภายใน ให้ข้ยใจตามเป็นจริงคิดอาญญา่านยากเพราะทุกคนเกิดมาไม่เคยแบกบตำหรับตำราของธรรมมีดามานดาคูสายโลกเถื่อนฝุ้งทั่วไปไม่เคยแนะสอนเรื่องการพินิพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงมีแต่ชักชวน พูดคุยกันไปเรื่องภายนอกจิตใจก็เลย เ, เพิดเพลินลุ่มหลงไปตามสมมติสมมติมมตจึงทับรี ม, มุเอาไว้รี ม, มุก็เลยไม่ไโผล่ขึ้นมาให้เรารู้เราเข่าใจเหมือนกันกันกบพระทิศพระจันทร์จถูกเมฆหมอกคุมเอาไว้ถึงแสงทิตแสงจันทร์ เคยสว่างสวยมีอยู่ประจําขวาตามถ้าหากมีเมฆมีหมอกปกคลุมแล้วแสงจันนั้นหรือแสงอาทิตย์นั้นจะไม่ส่องสว่างออกมาเพราะมีสิ่งที่ปิดบังนี่จิตใจของพวกเราท่านก็มีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องปิดบังถ้าหากเราไม้ที่นี้พิจรารณาไม่มีธรรมะสอนใจ ก็ไม่มีทางที่จะเกิดความสว่างสวัยเกิดความรู้ความเห็นเด่นไปจากได้ฉะนั้นการฝึกอบรมจิตใจจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านจะควรฝึกควรอบรมควรพิณิพิจเรนาเพราะผู้ที่มีใจสงบผู้ที่มีใจสบายมีความสุขมีความประเสริ ในตัวเองเป็นสุขคติอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขอดอยากอยากจนก็เป็นสุขเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นสุขไม่มีทุกข์สำหรับใจที่บริสุทธิ์เรามันไม่เคยเป็นเคยเห็นใครรู้ก็เลยไม่โอาใจ ไปยึดไปถือไปหมั่นไปหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นความสุขของใจสิ่งนั้นมันเป็นอนิจจงแปรปวนเปลี่ยนแปลงใจของตัวเองเป็นอนิจจงอีกเดี๋ยวยึดอันนั้นเดี๋ยวถืออันนี้เดี๋ยวยินดีพอใจเดี๋ยวไม่ยินดีไม่พอใจปัญยาของกิเลสตัณหามันมากหากไม่มีสติไม่มีปัญญา ยิงจังไม่อาศัยธรรมอะก็ไม่มีทางจะรักษามันได้จิตของเรามันเคยยดึดเคยถือเคยชอบเคยติดเคยคิดเคยปรุงว่าสิ่งนั้นเราชอบเรายินดีได้สิ่งนั้นมาจะมีความสุขความสบายแต่เดียวเดียวเท่านั้นมันเปลี่ยนใหม่ถึงสิ่งนั้นจะคองเส้นคองวาอยู่กว่าตาแต่มันเบื่อมันหน่ายมันไม่ชอบไห่พอไปอีก นี่คือเรื่องวัตถุเรื่องของโลกเรื่องของจิตที่มีกิเลสตัณหาเหมื่อเราศึกษาเราพิเนธิเจรานาทราบเรื่องของมันจึงไม่เชื่อมันยึดถือความเป็นอย่างนี้ความคิดอย่างนี้พอมันเคยคิดเคยจิตเคยค่องเคยชอบเคยพอมันหลอกมันลวงเราไม่แนนอนจริงจัง แล้วสิ่งที่ดีวิเศษยิ่งกว่านี้คืออะไรเราจะสนใจที่นิพิจารณาก็คือพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยๆไปโดยไม่เชื่อแล้วผู้ที่มาเห็นมารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรมันจะเข้าใจอีกเมื่อมันเข้าใจมันเห็นมันเป็นภายในตัว ความเปลี่ยนแปลงของโลกของเกลียดตันหาของรูปของนามเข้าใจถนัดชัดเจนความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็เข้าใจไม่มีอะไรจะสงสัยว่าอยากได้อะไรมันจะเป็นไปอย่างไรมันไม่มีทางสงสัยนั่นคือจุดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอน ทุกคนถ้าไปไปสบพบเห็นฝึกจิตของตนได้อย่างนั้นมันไม่มีทางสงสัยอะไรมันหมดปัญหาหมดความอยากเ่อหมดความอยากมันกว่าสุขกว่าสบายประเสริฐวิเศษตัวเองเห็นตัวเห็นเองรู้ถึงคนอื่นเขาจะไม่เชื่อไม่เลื่อมใส ไม่เห็นด้วยเรานั่นเป็นเรื่องของเขาเราเองไม่ติดใจเพราะเราเห็นเราเป็นในเราคนอื่นเขาจะเห็นจะเข้าใจว่าเราดีเราวิเศษนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเขาเลื่อมใสก็เป็นเรื่องของเขาเขานินทาก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นอย่างไรไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการติดข้องไม่มีการยึดถือ ไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในคือใจเข้าถึงความจริงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นที่นี้ิจารณาศึกษาอบรมกายวาจาใจของตัวธรรมะของพระพุทธเจ้ามั น, นอยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราสมบูรณ์ทุกอย่างศีลก็คือการรักษากายวาจาสมาธิก็คือการอบรมใจปัญญาก็คือเรื่องของใจรู้ เท่าถึงเรื่องของสังขานปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างวีมุติก็คือความหลุดพ้นจากความติตข้องท้องใจวีมุติญาทัศนะจิตหลุดพ้นอย่างไรยานความรู้ว่าจิตของตัวหลุดพ้นก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นมันไม่มีอยู่ที่อื่นธรรมะของพผู้ได้เจ้ามีอยู่ตัวในตัวของพวกเราท่านทุกคนดังนั้นการที่นิพพิจารณาธรรมะ จึงเป็นการพิจารณนากายใจของตัวอย่าไปถือว่าความสุขความติดข้องความวุ่นวายมันมีอยู่ที่อื่นมีอยู่ในใจเท่านั้นความหลุดพ้นจากความติดข้องขุนมัวเสารหมองเลือดร้อนต่างๆอย่าไปมีอยู่ในวัตถุหรืออยู่ในภูในเขาในถ้ำในป่าอย่าไปคิดอีกมันอยู่ในจิตอันเดียวนี่แหละ ความมืดบอดกว่าเคจิตความสว่างสวัยกว่าเคจิตความจิตคล่องกว่าเคจิตความหลุคพ้นกว่าเจิตพึงศึกษาพึงพิจิตรเจรินะพึงทํากายวาจาจิตของตัวให้บริสุทธิ์ทางจิตจะทําได้กอเพออาศัยสติพออาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาความเชื่ออาศัยความเพียร <c oughs> พยายามไม่มีทางอื่น หาทุกคนฝึกอบรมตนอย่างนั้นก็จะประสบพบเห็นความสุขอันเปรเตๆที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการอธิบายธรรมะเเห็นว่าขอสมควรใช้เวลาขอจิตใจแค่นี้ดีบง้ง